สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราให้ความสำคัญให้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดๆในโลกนี้ก็คือใจของพวกเราเพราะใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปตลอด และความสุขความทุกข์ของใจนี้ ก, นก็ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเรารักษาใจได้กำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจได้สร้างความสุขใจให้เป็นบรลมสุขได้ เราก็จะมีความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันตาสาวกทั้งหลายท่านไม่ให้ความสําคัญกับอะไรนอกจากการทําลายความทุกข์และสร้างความสุขให้แก่ใจเท่านั้น เพราะท่านทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่จเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องดับต่อให้ได้มามากมายเพียงไรก็ตาม ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพรากจากกันไปท่านจึงไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านสละหมดเพราะท่านมีปัญญา มองเห็นอนิจจังความไม่ถาวรนของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้และเห็นความสำคัญของใจว่าจะให้ความสุขได้อย่างแท้จริงและได้อย่างถาวรนและจะไม่มีความทุกข์ต่างๆ หลงเหลืออยู่ภายในใจท่านจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำบัดทุกข์บำรงสุขของใจเพียงอย่างเดียวถ้าเราดูปอดวัดของพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหลานตาสาวกต่างๆทั้งหลายก็ดีท่านสละหมดสละลาภยศสรรเสริญสละความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายสละครอบครัวสละอะไรต่างๆที่ท่านเคยมีอยู่แล้วก็ออกบวชกันเพื่อที่จะได้มีเวลาเต็มร้อยในการที่จะมาดูแลรักษาใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ใจ วิธีที่ท่านสร้างความสุขทำลายความทุกข์ของใจนี้ท่านเรียกว่าจิตตภาวนาการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่แหละเป็นวิธีสร้างความสุขและทําลายความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจการบําเพ็ญนี้มีอยู่สองขั้นด้วยกัน ขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาขั้นแรกนี้เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ใจเป็นการชั่วคราวไม่ถาวรส่วนขั้นที่สองจะเป็นการกำจัดทุกข์บำบุงสุข ที่ถาวรแต่ก่อนที่จะขึ้นสู่ไปขั้นที่สองได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งไปก่อนเพราะขั้นที่หนึ่งนี้จะเป็นกำลังจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจเจริญบำเพ็ญการภาวนาขั้นที่สองนั่นเองดังนั้นการบำเพ็ญจิตรภาวนา ในขั้นแรกนี้จําเป็นจะต้องเจริญสมถะภาวนาก่อนสมถะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบเวลาใจสงบรวมเข้าสู่สมารวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิใจจะแยกออกจากร่างกายใจจะปล่อยวางร่างกายแล ะ, และ สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจจะไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะใจจะตั้งอยู่ในอุเบกขาความสงบสั่์แต่ว่ารู้ความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกขัตตารมณ์ที่เรียกว่าสมถภาวนา ขั้นแรกต้องให้เข้าถึงจุดนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเข้าถึงจุดนี้ได้แล้วจะได้พบกับความสุขใจที่แท้จริงเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะค่อยจางหายไปเพราะใจเริ่มคิดปรุงแต่ง ไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดตัณหาความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาที่จะมาทําลายความสงบที่ได้จากสมถภาวนาถ้าอยากจะรักษาความสงบที่ได้จากสมถภาวนาก็จะต้องใช้วิปัสสนาภาวนา คือต้องใช้การพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่สวยไม่งามไม่น่าลหลงไหลยขัางคล้าไม่น่ายินดีนี่คือวิปัสสนาภาวนาคือ สอนใจให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปรักไปชอบไปอยากนั่นเองถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขใจก็จะตัดความอยากได้เมื่อตัดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมานี่เป็นธรรม การปฏิบัติที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็คือสมถภ า, ภาวนาขั้นที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาทำกันตามวาระของตนขณะที่ทำสมถภาวนาก็จะไม่สนใจเรื่องวิปัสสนาภาวนา ขณะที่จะรอนวิปัสสนาภาวนาก็าจะไม่ไปสนใจกับสมถภาวนาเพราะเป็นงานโคดชิ้นกันงานชิ้นแรกนี้ต้องทําใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนเพื่อที่ใจจะได้มีความสุขเพราะเมื่อมีความสุขแล้ว เวลาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจเคยหลงรักเคยชอบเคยอยากได้อยากมีอยากเป็นก็จะสามารถปล่อยวางได้ถ้าใจยังไม่มีความสงบยังไม่มีความสุขจากความสงบใจยังติดกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่ใจรักใจชอบ ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นถึงแม้จะเห็นว่าไม่เที่ยงถึงแม้จะเห็นว่าทุกเวลาที่จะต้องเกิดการพัดพรากจากกันถึงแม้จะเห็นว่าห้ามมันไม่ให้เสื่อมได้ห้ามไม่ให้มันดับได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปได้แต่ใจก็ยังต้องมีมันอยู่ก็ จะคิดไปว่าถ้าอันนี้หมดไปก็หาอันใหม่มาทดแทนกันเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วใจจะมีความทุกข์มากนั่นเองแต่ถ้าใจมีสมถะภาวนา ม, มีความสงบมีความสุขที่ได้จากความสงบใจจะมีความสุขทดแทนที่ จะมาทดแทนความสุขที่จะต้องเสียไปความสุขที่จะเสียจากการสะละลาบยศ ส, สรรเสิญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปใจก็จะสะละตัดไปได้อย่างง่ายดายเพราะเห็นความแตกต่างของความสุขสองรูปแบบนี้ว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีอะไรที่จะมาดีเท่าไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้เมื่อมีความสงบของใจแล้วก็จะสามารถสละความสุข ทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจะหมูกบิ้นกายไปได้อย่างง่ายดายถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปทุกข์เพราะว่าไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้ นี่คือการเห็นด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาต้องใช้วิธีพิจารณาแบบนักวิทยาศาสตร์พิจารณาตามหลักของตรร ก, กะตามเหตุตามผลถ้าเห็นแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขา เป็นไปตามความอยากของเราที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือเราอยากจะให้เขาไม่เสื่อมแต่ความจริงเขาต้องเสื่อมเราอยากให้เขาไม่ตายแต่เขาต้องตายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนใจให้เห็นถ้าใจเห็นชัดๆเลยใจก็จะปล่อย แล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขสำรองรองรับอยู่ก็คือความสุขที่ได้จากสมถภาวนานี่เองถ้ายังไม่ได้ความสุขจากสมถภาวนาถึงแม้จะเห็นว่าเป็นทุกข์ถึงแม้จะเห็นว่าจะต้องมีการพัดภ่าจากกันถึงแม้จะเห็นว่าห้ามมันไม่ได้แต่ก็อด ไม่ได้ที่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่แหละความสำคัญของสมถภาวนาอยู่ตรง น, รงนี้อยู่ตรงที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องไปพึ่งความสุขจากลาบยศจารสญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนั่นเองถ้ายังไม่มีสมถภาวนา ไปเจริญวิปัสสนาภาวนาก็จะไม่มีความสามารถที่จะตัดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ดังนั้นผู้บำเพ็ญจิตภาวนาจึงต้องบำเพ็ญไปตามขั้นตอนคือต้องสร้างอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อน ก่อนที่จะออกไปเจริญวิปัสสนาภาวนาและขณะที่จะบำเพ็ญสมถะภาวนาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาการบำเพ็ญสมถะภาวนานี้ต้องการให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้เหลือแต่สัรแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขา เหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นแต่การบำเพ็ญสมาธินี้หรือสมถาภาวนานี้ก็จะมีผลข้างเคียงหรือผลที่ไม่สำคัญปรากฏขึ้นมาได้คือจิตไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าเป็นนิมิตอะไรต่างๆหรือไปได้อภินยาต่างๆ สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างความสงบสุขให้แก่ใจแต่กลับจะเป็นโทษเพราะจะทําให้ใจไม่สงบจะทําให้ใจหลงไปกับนิมิตต่างๆถ้าเป็นนิมิต ท, ที่สวยงามน่าดูน่าชมก็จะเกิดความหลงหล า, าคลั่งไคล้ ถ้าไปเห็นนิมิต ท, ที่ไม่ดีก็อาจจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาจะไม่กล้าภาวนาต่อไปหรือถ้าไปมีอภินยาต่างๆก็จะถูกกิเลสหลอกเอาไปใช้หาประโยชน์ทางลาบยศสารเสริ์กันก็จะเสียหลัก แทนที่จะบำเพ็ญเพื่อละความอยากในลาบยศสารเสริญสุขก็กลับมาสร้างความอยากหาลาบยศสารเสริญสุขเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหูทิพตาทิพอาจจะนาเอาไปใช้ในการเป็นหมอดูทำนายทายทักอะไรต่างๆสามารถหาผลประโยชน์จากการ มีหูทิพตาทิพได้ไม่สามารถที่จะประสร้างความสุขใจและดับความทุกข์ภายในใจได้ผู้บำเพ็ญสมถภ า, ภาวนาจึงต้องระมัดระวังเวลาที่ตนได้พบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปคิดว่าเป็นมรรคเป็นผล ขอให้คิดว่ามันเป็นกับดักของกิเลสตัณหาผู้ใดที่ไปหลงไหลข้างคล้ายกับนิมิตต่างๆหรืออภิญยาความรู้ความสามารถพิเศษนี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ไปติดกับลาบยศเสรสุขนั่นเองถ้ายังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะไม่สามารถที่จะตัด พบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่ได้มาก็จะต้องหมดสภาพไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ แล้วก็มาได้อภินยาต่างๆเหล่านี้ใหม่แล้วก็มาสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสแสวงหาความสุขอยากลาบยศสรรเสริญกันใหม่ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่อีกรอบอีกหลายล้านรอบด้วยกันถ้าหลงไปในทางนี้ ทานี้ท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิไม่ถไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้ต้องจิตรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างปัสจานิมิตรต่างๆปัสจาอภินยาต่างๆให้มีแต่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้และมีความสุขที่ได้จากความสงบนี้เท่านั้น ถึงจะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้ผู้บำเพ็ญจึงต้องรู้จักคำว่าสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิถ้าไปรู้นิมิตไปมีอภิญญานี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิอย่าไปสนใจถ้าเราไม่ไปสนใจเขาก็จะหายไปเองถ้าเราภาวนาต่อไปเราใช้อะไรเป็นเครื่องกล่อมใจเราก็ เกาะติดอยู่กับเครื่องกล่อมใจนั้นเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเราก็ทําไปตามทําต่อไปดึงใจให้เข้าสู่ความว่างให้เข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่ความว่างความสงบแล้วนิมิตต่างๆอภินญาต่างๆก็จะหายไป ใจก็จะได้ความสุขที่จะมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับความสุขที่จะต้องสละคือความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนการรวมลงของสมาธิเป็นอัปณะนะนั้นก็มีสองสองระดับด้วยกันถ้ารวมนานก็เรียกว่าอั ป, ปะนาสมาธิ ถ้ารวม เ, ยเพยงเดียวเดียวพอรวมปับแล้วก็ถอนออกมาก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเวลาบำเพ็ญใหม่ๆนี้จะเจอคณิกะสมาธิก่อนคือจิตรวมลงแล้วก็จะถอนออกมาอาจจะเพราะเป็นความตื่นเต้นที่ไม่เคยพบกับเหตุการณ์อย่างนี้เพราะเวลาจิตรวมลงนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหว วูบลงไปแล้วก็นิ่งเย็นสบายแล้วก็เกิดความตื่นเต้นตกใจจิตก็จะถอนออกมาหรือกำลังของสติยังมีไม่มากพอที่จะดึงใจให้อยู่ในความสงบได้ได้นานแต่ถ้าบำเพ็ญต่อไปด้วยการหมั่นเจริญสติเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิ สตินี้จำเป็นที่จะต้องเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องทุกอิในทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ใช่จะมาเจริญในเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะถ้ามาเจริญสติเฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้นสติจะไม่มีกาลังพอผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่นั่งสมาธิแบบนี้จะไม่เคยพบกับผล คือคณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเลยเพราะสติจะไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงใจให้รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้ต้องอาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องมีสติคอยกำกับใจอยู่ตลอดเวลาสติ ที่เป็นเครื่องกำกับใจนี้ก็มีวิธีสร้างขึ้นมาหลากหลายวิธีด้วยกันที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานสี่สินี้ก็คือเป็นวิธีเจริญสติทั้งนั้นเช่นพุทธานุสตินี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกันเช่นการเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติเราเลิกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่า ธรรมานุสติเราลึกถึงพระสงฆ์อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสังคานุสติเราลึกถึงลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอนาปานาุสติเราลึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณ า, านุสติเราลึกถึงร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายใ น, ในทุกอิริยาบท ก็เรียกว่ากายะกะตาสตินี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสติขึ้นมาสติก็คือเบรกของใจนั่นเองเป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้เวลาวิ่งไปแล้วถ้าต้องการจะจอดจะหยุดนี้ต้องใช้เบรกถึงจะหยุดได้ดังใจหมายถ้าไม่มีเบรก มันก็จะวิ่งไปจนกว่าจะไปชนอะไรหรือไปไปเจออะไรที่ทำให้มันหยุดวิ่งมันถึงจะหยุดใจก็เหมือนกันใจจะหยุดใจจะเข้าสู่สมาธิได้จะต้องมีสติเป็นผู้กากับเป็นผู้ดึงใจให้รวมเข้าสู่สมาธิไม่ว่าจะเป็นคณิกาสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ ก็ขึ้นอยู่ที่สตินี้เองถ้าสติมีกำลังมากก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้บางท่านนี่สามารถเข้าฌานได้เป็นวันวันนี่เพราะกำลังของสมาธิของสติที่ท่านได้เจริญอย่างต่อเนื่องการที่จะบำเพ็ญสติได้อย่างต่อเนื่องนั้นจาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องตรีกวิเวกอยู่ตามลําพังเพราะจะได้ไม่มีอะไรมาดึงสติไปนั่นเองถ้าอยู่กับเรื่องราวต่างๆอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆจะมีเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาดึงใจให้ออกไปจากการเจริญสติใจก็จะลอยไปลอยมาแทนที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน ใจก็จะคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับเหตุการณ์นั้นกับเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไม่ต้องมารับรู้กับเรื่องเล่าต่างๆผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกาย ก็มีเรื่องเดียวที่จะต้องคอยควบคุมก็คือสังขารความคิดุูนแต่งก็ใช้สติคอยควบคุมด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติถ้าบริกรรมธรรมโมธรรมโอก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติถ้าบริกรรมสังโฆก็เป็นการเจริญสังขานุสติ ถ้าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอเรยยบทก็เรียกว่ากายกตาสติเป็นการสร้างสติดินใจไม่ให้ลอยไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามความคิดปรุงแต่งถ้าใจต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพุทโธธรร ม, มสังโฆหรือร่างกายหรือนมหายใจ ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เมื่อไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่เบกขาได้เข้าสู่ความสุขที่ได้จากความสงบได้นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญสมถภาวนา เวลาที่ใจรวมเข้าสู่ความสงบก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญวิปัสนาภาวนาเป็นเวลาที่ให้ใจได้พักได้สร้างพลังเบกพลังอุเบกขาให้มีกำลังมากๆถ้าสงบได้นานนิ่งได้นานกำลังอุเบกขาก็จะมีมากเพราะเราจะต้องใช้กำลังของอุเบกขานี่ ออกมาต่อสู้กับตันหาความอยากออกมาต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่มีอุเบกขาจะไม่สามารถที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากต่างๆได้ถึงแม้จะมีปัญญาสอนใจเตือนใจว่าเป็นอันตรายเป็นทุกข์แต่ก็จะหยุดมันไม่ได้เหมือนกับ เวลาขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงแล้วมีไฟแดงเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้หยุดรถแต่ถ้ารถไม่มีเบรกก็จะหยุดรถไม่ได้จะอันตรายอย่างไรรถมันก็จะต้องพุ่งต่อไปมันก็จะต้องฝ่าไฟแดงไปแล้วก็จะต้องไปชนกับรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่มีเบรคนั่นเองไม่มีกำลังที่จะหยุดรถจันด ใ, ใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ถึงแม้ว่าปัญญาจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันจะต้องเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็ายอมเพราะมันหยุดไม่ได้นั่นเอง หยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ใจก็จะดับความทุกข์ไม่ได้รักษาความสุขที่ได้จากสมถภาวนาไม่ได้ถ้าอยากจะได้ความสุขทางสมถภาวนาก็ต้องเจริญสติใหม่กลับไปนั่งสมาธิใหม่เพื่อให้ใจรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิ ดังนั้นเวลาที่ได้สมาธิเช่นอัปปนาสมาธิใจไม่คิดปรุงแต่งใจสักระวารู้ก็ปล่อยให้อยู่ในสภาพนั้นไปจนกว่าจะถอนออกมาเองจนกว่าใจจะหมดกำลังสติจะหมดกำลังที่จะดึงใจให้อยู่ในสมาธิเพราะกำลังของตัณหาความอยากคิดปรุงแต่งมีกำลังมากกว่า มันก็จะดึงใจให้ออกมาสู่ความคิดปรุงแต่งออกมาสู่การรับรู้เหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาปรุงแต่งแล้วก็มาสร้างความโลภความโกรธความหลงสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงความอยาก ตอนนั้นแหละเป็นตอนที่จะต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเช่นราบยศเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาขันธ์ต่างๆของเราและของผู้อื่นเช่นรูปประขัน จาราร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายของพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีอยู่ในร่างกายของพี่น้อง สามีภรรยาบุตธิดาก็ไม่ได้มีอยู่ในร่างกายของเขาบุคคลเหล่านี้อยู่ในใจที่ไม่ตายเพียงแต่ว่ามาอาศัยร่างกายอยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนบ้านอาศัยอยู่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้ไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเท่ า, านั้นเองเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปไม่มีใครตายไปกับร่างกาย เพราะร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําหลมไฟดินน้ํำลมไฟก็คืออาหารที่เรารับประทานน้ําที่เราเดื่มอากาศที่เราหายใจเข้าไปเหล่านี้เป็นธาตุทั้งนั้นเข้าไปสร้างร่างกายให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกมีอะไรต่างๆครบ32องอาการด้วยกัน นี่คือองค์ประกอบของร่างกายมีเพียงเท่านี้ไม่มีตัวพ่อตัวแม่อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีตัวพี่ตัวน้องตัวสามีตัวภรรยาตัวบุตรตัวธิดาไม่มีไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ตัวตนนั่นอยู่ที่ใจของแต่ละดวงที่มาครอบครองร่างกายที่เป็นสมบัติชั่วคราวนี้ ที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุดเวลาตายไปก็จะเคลืนสู่ดินน้ำลมไฟน้ำก็จะไหลออกมาลมก็จะมาเหยออกมาไฟก็จะจางหายไปรั้ อ, อยู่ก็เป็นธาตุดินไปกลายเป็นฝุ่นไปกลายเป็นขี้เถ้าไปนี่คือการพิจารณา อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสนาภาวนาเพื่อจะได้ไประ ง, งับความอยากต่างๆเช่นความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้ใจจะเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั่นเองถ้าเห็นด้วยความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย และไม่มีใครตายไปกับร่างกายนี้มันก็จะหยุดความอยากได้เพราะเหมือนกับเห็นรถยนต์เห็นรถยนต์คันหนึ่งหรือว่ารถยนต์นี้ต่อไปก็ต้องเก่าต้องผุต้องพังไปแต่ไม่มีใครอยู่ในรถยนต์ผู้ที่มาครอบครองเป็นเจ้าของรถยนต์นี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับรถยนต์คันนี้ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความอยากเพราะไม่ไม่อยากจะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจโดยใช่เหตุ น, นั่นเองอยากไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆนี่คือความทุกข์ของผู้ที่ไม่มีวิปัสสนาภาวนาไม่มีสมถภาวนา มาสนับสนุนในการพิจารณาเพื่อที่จะได้ปล่อยวางร่างกายได้นั่นเองแต่ผู้ที่มีสมถภาวนามีความสงบมีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเวลามาพิจารณาร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ดีจะรับความจริงได้จะปล่อย ได้จะละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่ไปห้ามมันไม่ได้ไม่มีใครห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าใครทั้งหลายในโลกนี้ ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของพระองค์ได้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามได้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แ ก, ไแก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการคือดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรนี้ก็ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือการเจริญวิปัสสนาที่จะต้องดำเนินต่อจากการบาเพ็ญสมถภาวนาคือต้องรอให้ออกจากสมถภาวนาก่อนให้ออกจากความสงบนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งออกมาสู่การรับรู้ สิ่งต่างๆแล้วก็มาคิดมาปรุงมาแต่งกับเรื่องราวต่างๆตอนนั้นถึงต้องเอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดไปในทางปัญญาไปในทางความจริงเพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีใครไปสั่งไปห้ามให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าใจไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนิตตาไปอยากให้เขาเป็นนิจจังอยากให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนิตตา เพื่อจะได้ละตันหาความหยาที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจแล้วก็ทำลายความสุขที่ได้จากความสงบถ้ามีปัญญาแล้วก็จะสามารถคุมตันหาไว้ได้กำจัดตันหาได้เมื่อไม่มีตันหาความสงบที่ได้ก็จะอยู่ต่อไปความสุขที่ได้จากความสงบก็จะอยู่ต่อไปอยู่ไปอย่างท้าวร อยู่ไปแบบปรมังสุขขังนี่เองถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมีความสุขไปตลอดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่ถาวรนี้ท่านจึงเรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังจะเกิดได้ต้องเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา การจเจริญส ม, มถะภาวนานี้จะได้เพียงชั่วในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วถ้าไม่มีวิปัสสนามาคอยควบคุมสังขารความคิดตูงแต่งสังขารก็จะปุ่งไปทางตันหาความอยากบุ่งไปทางความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจขึ้นมา ผู้ที่บำเพ็ญจำเป็นจะต้องเห็นตัวนี้เห็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากและเห็นนิโรธคือการดับความทุกข์ด้วยปัญญาด้วยการเห็นใจรักนี่คือการบรรลุธรรมต้องรลุตรงนี้ตรงที่อัตรงที่พระอริยสัจสี่มีดวงตาเห็นธรรมความหมายก็คือเห็นพระอริยสัจสี่ เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจเองและจะดับความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยการเห็นใจรักเช่ น, ะ น, นถ้าเรายัางอยากให้ลาบยศรรเรินสุขอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะต้องทุกข์เพราะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสือ่อม มันก็จะต้องทุกข์เพราะ ม, มันจะต้องเสื่อมแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันจะต้องเสื่อมแล้วก็หยุดความอยากให้เขาไม่เสื่อมได้เวลาเขาเสื่อมใจก็จะไม่ทุกข์เช่นเดียวกับร่างกายหรื อ, เ, อเวทนาความรู้สึกเราก็อยากจะให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ เวทนาเขามีสามมีสุขเวทนามีทุกขเวทนาและมีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเขาเป็นเหมือนตัวละครที่ออกมาแสดงบนเวทีพัดกันออกมาเวทีก็คือใจนี้เองบางเวลาก็สุขเวทนาออกมาแสดงบางเวลาก็ทุกขเวทนาออกมาแสดงบางเวลาก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาออกมาแสดง สลับกันไปแล้วแต่ผู้กำกับผู้กำกับคือใครก็คือเหตุปัจจัยต่างๆนั่นเองไม่ใช่บุคคล น, นั้นบุคคลนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้นคคนนนก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นใครมาตีศีรษะนี้ก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้ถ้าใครมานวดมาจับมาบีย ก็อาจจะทําให้เกิดสุขเวทนาทางร่างกายได้แต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานอาหารแสลาท้องก็เกิดอาการปวดท้องขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเราจะไปสั่งให้ไม่ให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาเพียง อ, อย่างเดียวไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วมันก็จะทุกเวลาที่มันไม่สุข เวลาที่มันเป็นทุกขเวทนาหรือมันเป็นไม่สุ ข, ขเวทนาไม่ทุกขเวทนาใจของเราก็จะทุกขเพราะไม่ได้ดังใจอยากไม่ได้สุ ข, ขเวทนาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปกำกับเขาไม่ได้ให้เขาเป็นสุ ข, ขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกขบ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกขบ้าง ถ้ายามรับได้ใจจะไม่ทุกข์เพราะใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นเองใจไม่ได้เป็นผู้ที่ที่ที่รับเวทนาที่รับเวทนาจริงๆก็คือร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นผู้เจ็บใจเป็นเพียงผู้มารับรู้เท่านั้นแต่ใจกลับมาทุกข์แทนร่างกายร่างกายกลับไม่ทุกข์กับความเจ็บ ปวดของร่างกายเพราะร่างกายไม่มีความรู้ในตัวเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บแต่ใจนี่รู้ถ้ารู้เฉยๆก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ารู้แล้วอยากให้หายเวลาเจ็บแล้อยากให้หายอยากให้สุขนี้ก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเฉยๆทุกก็รู้ว่าทุกข์ใจก็จะไม่ทุกข์ด้วยใจก็จะสงบ ใจก็จะมีความสุขที่ได้จากความสงบนี่คือเรื่องของการบําเพ็ญวิปัสสนาภาวนาเวลาออกมาจากสมาธิแล้วจำเป็นจะต้องพิจารณาทำนทำต่างๆสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์หรือบางเรื่องก็ต้องพิจารณาอสุภะเช่นถ้าไปหลงไหลข้างคล้กับรูปร่างหน้าตาของร่างกายของใครของคนอื่นหรือของตน เกิดความรักเกิดความชอบเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สวยไม่งามให้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่เราไปลหลงไหลคลั่งไครเห็นว่าสวยว่างามนั้นถ้าไปเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วความลหลงไหลคลั่งคลการอารมณ์ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะสงบตัวลงไป เราจะดับความทุกข์ได้ไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องไป ม, มีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีบ้านน้อยบ้านใหญ่ที่มีบ้านน้อยบ้านใหญ่กันก็เพราะไม่เห็นอสุภะกรรมฐานไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายนั่นเองถ้าเห็นแล้วก็บวชได้อยู่คนเดียวได้สบายกว่า อยู่กับแฟนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาก็ต้องห่วงกันต้องห่วงกันแล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาต้องจากกันเ็นแต่ความทุกข์มอไม่เห็นเพราะไม่มีปัญญาถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์แล้วพิจารณาให้เห็นอสุภะก็จะไม่อยากมีสามีไม่อยากมีภรรยาไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี่คือ ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาเฉพาะสําหรับแก้เรื่องของการอารมณ์ต้องพิจารณาอสุภะส่วนปัญญาที่ใช้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนี้ก็แก้เรื่องความติดอยู่กับการรับประทานอาหารเห็นอาหารแล้วหิวขึ้นมา ท, าทันทีนึกถึงอาหารแล้วหิวขึ้นมาทันทีแต่ ท, ทั้งที่เมื่อรับประทานเสร็จไปหยกหยกแต่ พอคิดถึงอาหารคิดถึงของเลืประทานนี้น้ำลายก็ไหลขึ้นมาทันทีอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอย่าไปมองอาหารในจานให้ไปมองอาหารในปากที่ผสมกับน้ำลายที่ถูกบดถูกเคี้ยวถ้าอยากดูหน้าตาของมันว่าเป็นอย่างไรก็คลายมันออกมาคลายมันออกมาใส่จานใหม่แล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ ดูเสว่าจะกินได้ไหมหรือจะให้รอให้มันอาเจียนออกมาก่อนก็ได้เวลาให้มันเข้าไปในท้องก่อนเราค่อยไหลาอาเจียนออกมาหรือเวลามันถ่ายออกมาก็ได้ให้นึกถึงภาพของอาหารเหล่านี้บ้างแล้วมันจะหยุดความอยากกินแบบไม่มีขอบมีเขตได้กินแบบอารมณ์กินนะกินได้พระพุทธเจ้าไม่ห้ามตะให้กินด้วยเหตุด้วยผล กินเพื่อเยียวยาดูแลรักษาร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องกินพระอาลัยก็ต้องกินแต่ท่านไม่ได้กินด้วยอารมณ์อยากท่านกินเหมือนกินยากินเพื่อรักษาร่างกายเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราต้องรับประทานยาเพื่อรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปคือให้กินด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปกินด้วยความอยาก ้กินด้วยความอยากร่างกายมันจะกลายเป็นตุ่มแล้วมันก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนตามมาโรคเบาหวานโรคเก้าโรคอะไรต่างๆโรคไขมันอุดตันโรคหัวใจโรคความดันมาจากเรื่องของการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าไปเป็นนักบวชก็จะไม่สามารถที่จะอยู่เป็นนักบวชได้เพราะจะหิว เดี๋ยวตกค่ำเคยก็แอ บ, บไปปรงมามา่าฉันกันแทนที่จะมานั่งภาวนาทำใจให้สงบแทนที่จะมาพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารกลับไปเห็นมาม่าในชามในถ้วยในโถต้มน้ำร้อนสักถ้วยหนึ่งเทเข้าไปแม่ อ, อร่อยอย่างนี้ก็ตบะาแตก อยู่อยู่ไปต่อไปก็อยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องลาสิกขาไปแต่บำเพ็ญจิตตภาวนาก็บำเพ็ญไม่ได้ใจไม่ยอมสงบจะสงบก็ต่อเมื่อได้กินก่อนพอกินแล้วเวลานั่งก็ง่วงนอนก็หลับไปก็ไม่มีวันที่จะเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อให้จิตมีแต่ความสุขไปตลอดไม่ได้นะครับ ผู้ที่จะบำเพ็ญจิตภาวนานี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆอย่างที่ได้แสดงมานี้ขั้นต้นต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้ได้ก่อนถึงจะได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญวิปัสสนาปัญญาทันที จะคิดไปในจุดไหนเรื่องไหนก็ได้แล้วแต่ใจมันไปอยากกับเรื่องอะไรอยากกับราบยศลาเสริญสุขก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายลักษอยากกับร่างกายก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายลักอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ครองอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ต้องพิจารณาอสุภะของเขาอยากจะรับประทานอาหารก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิคูลสัญญา ของอาหารถ้าทำอย่างนี้แล้วใจก็จะสงบใจก็จะไม่หิวไม่โหยไม่อยากแล้วพอทำลายความอยากต่างๆหมดไปใจก็จะอยู่อย่างมีเป็นสุขไปตลอดกิเลสตัณหาไหนที่เราฆ่าได้ฆ่าด้วยวิปัสสนาแล้วมันจะไม่กลับมาอีกเพราะมันกลับมาเราก็มีเครื่องมือฆ่ามันตลอดเวลา มันจะไม่มีวันกลับมากลับมามันก็ไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้พอใจไม่ไม่ต้องทำตามความอยากได้นี่แหละคือการกำจัดทุกบารุงสุขของใจที่เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสาคัญเท่ากับใจของพวกเราเพราะมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นที่จะให้ความสุขที่ถาวรแก่พวกเรา ที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรถ้าเราไปติดอยู่กับสิ่งอื่นๆแล้วเราก็จะได้พบแต่ความสุขชั่วคราวแล้วก็จะได้พบกับความทุกข์เวลาที่ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านั้นมันจางหายไปเวลาสูญเสียสิ่งใดไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะหายไปสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจดังนั้นอย่าไปสนใจ กับการหาราบยศเสริญสุขกันอย่าไปหาบุคคลนั้นบุคคล น, นี้มาเป็นคู่ครองกันให้มาหาวิปัสสนาภาวนาให้มาหาส ม, มถะภาวนากันให้มาเจริญสติกันแล้วเราจะได้ความสุขที่แท้จริงและเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหาันตสาวกทั้งหลายได้รับกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลางังเอวะเมวะอิตูทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิ อิชิตังปัต um ิตังตุมหังคิดป้าเมวาสมิจจตุสัพเพปุรเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควิน ok ัสตุมาเตภวตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนานสีิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาง้อต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลย ถ้าปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่มีการถามตอบถ้าอยากจะถามตอบปัญหากันก็ขอให้ถามตอนนี้น้อมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเมื่อเราจิตสงบแล้วแล้วก็ออกจากสมาธิก็ให้พิจารณาการพิจารณานี่คิดว่าไม่น่าจะครั้งเดียวที่มันจะจิตจะตัดใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่า มันคงต้องใช้เวลาพี่านานมากจนเห็นจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรามันน่าเบื่อนายหรือไม่ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะคะหรือครั้งเดียวมันจะปึ้งเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยปัญญาของคนก็เป็นมีดเนี่ย <Okay. S 2> มีของแต่ละคนมันจะแหลมจะคมมันไม่เท่ากัน่ะ <Okay. S 2> ระดับปัญญาความรู้ความสามารถของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันบางคนสอบได้ที่หนึ่งนี่ฟังหนเดียวก็เข้าใจ <Okay. S 2> บางคนสอบได้ที่โหลนี่ต้องฟัง ลอยครั้งพันครั้งถึงจะเข้าใจโยมใส่จะล้านครั้งพระอาจารย์มันจะสอนที่เท่าไหร่นี่ก็นั่นแหละมันต่างกันนะระดับปัญญาภูมิปัญญาของแต่ละคนที่บารมีด้วยไหมเจ้าคะก็นั่นแหละคอคนที่มีปัญญาบารมีมากก็จะเข้าใจเร็วรู้เร็วเข้าใจง่ายคนที่มีปัญญาทึกนี่ก็ยากเลยต้องใช้เวลามากหน่อย อาจารย์แล้วมันเป็นไปได้ไหมคะว่าความเบื่อหรือความการที่จะปล่อยวางเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบว่ามันค่อยๆปล่อยวางมันเป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่ปึ้งเดียวแต่จะเกิดความเบื่อไหนค่อยๆเป็นไปความเบื่อไหนแบบนั้นบางทีมันเบื่อเพราะว่าบางทีมันผิดหวังมันไม่ได้นังใจอยากมันก็เบื่อปล่อยแบบนั้นมันไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาปล่อยด้วยความเบื่อเพราะว่าอยากจะได้แล้วไม่ได้ก็เลยเบื่อแต่ถ้าได้มันก็ไม่เบื่อใช่ไหม ถ้าหาเงินได้เท่าไหร่มันไม่เบื่อหาที่มันหาแล้วมันหาไม่ได้มันก็เบื่อมันก็ขายของขายไม่ออกก็เลิขายไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าชราๆบ่อยๆแล้วมันก็เกิดเบื่อหลายมันค่อยๆเบื่อเจ้าค่ะเออมันอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะก็ได้ทั้งนั้นอ่ะนจะเป็นยังไงก็เป้าหมายก็คือมันก็ต้องเห็นเห็นใจรักเห็นอสุภะ มันถึงจะมันถึงจะเบื่อจริงๆแล้วไม่ไม่กลับไปอีกถ้าเบื่อเล่นๆบางทีมันก็กลับไปได้ <laughs> เบื่อๆอยากๆ <laughs> ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณกะนกพรข้อที่หนึ่งดิฉันได้พิจารณาอาการสาบซิมสองไปบางส่วนแล้วเข้าใจว่ากระเพาะเบาคือกระเพาะปัสสาวะ ก็คือหนังใช่หรือไม่คะมันเป็นอะไรก็ช่างมันขอให้มันรูปร่างหน้าตามลักษณะว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันไม่สวยไม่งามมันน่าเพื่อที่จะได้ดับความลหลงไหลข้างใครในร่างกายเต้าไม้ก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นหนังหรือเป็นอะไรไม่ต้องไปรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรเราไม่ได้ศึกษาแบบหมอ เขาจะศึกษาดูว่ากระเพาะนี้มีหน้าที่ทำอะไรอย่างไรเราเพียงแต่ต้องการเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงเท่านั้นเองให้รู้แค่ น, นั้นพอคำถามต่อไปจากคุณนิรดาค่ะตอนที่เราเจ็บป่วยทรมานกับสังขารเราสามารถนึกปรงสังขารได้ไหมคะคือไม่ต้องนั่งสมาธิ แบบว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ไหมคะหมายถึงตอนที่โลกมันกำเริบค่ะก็ได้ไงก็เป็นการเจริญเวลาเจริญปัญญานี้ไม่ต้องอยู่ในสมาธิต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้มันหายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันทรมานใจก็ต้องถามว่ามันทรมานใจเพราะอะไรถ้าเรา พิจารณาตามที่พระเจ้าทรงสอนพิจารนาก็จะเห็นว่ามันทรมานเพราะความอยากอยากให้มันหายแต่เราไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าตามความอยากของเราได้หรือเปล่าเมื่อมันไม่ได้เราก็ทุกทรมานใจไปเปล่าๆที่เราทุกนี้ไม่ได้ทุกเพราะความเจ็บของร่างกายเราทุกเพราะความอยากของใจต้องเห็นตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้ พราเหมือนกับเราเอาซีเอาคอนมาทุบศีรษะเราแล้วก็บ่นว่าปวดศีรษะปวดศีรษะแต่ไม่รู้ว่าเราเอาคอนมาทุบศีรษะแต่ทอเรารู้ว่าที่เราปวดศีรษะพอเราคอนทุบศีรษะแล้วก็หยุดทุบศีษะเรามันก็ไม่ปวดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราทุกเพราะความอยากยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ก็ ย, ยังอยากอยู่อย่างนั้นต้องให้เห็นตัวนี้ <c oughs> หเห็นตัวนี้ได้มันจิตก็ต้องมีความสงบเพราะมันจะเห็นทุก ถ้าจิตไม่สงบมันไม่เห็นทุกเวลาจิตสงบนี่จิตมันจะสุกไงแล้วพอทุกโผล่ขึ้นมานี่มันเหมือนน้ำนิ่งแล้วมีปลาผุดขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำกระเพื่อมเวลาเกิดความอยากนี่ใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาถ้าใจสงบแต่ถ้าใจมันไม่สงบใจมันกระเพื่อมอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ปลาจะกระโดดขึ้นมากี่ตัวมันก็ไม่รู้วมันกระเพื่อมเพราะปลาเข้าใจห เพราะมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาทีถ้าใจสงบแล้วความอยากมันสงบตัวไปชั่วคราวตอนนั้นก็จะไม่มีความทุกข์แต่พอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะเห็นเลยว่าใจกระเพื่มแล้วความสุขที่ได้จากความสงบเริ่มหายไปแล้วความทุกข์ความกวลวกวยใจโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะเห็นชัดๆเลยว่าเกิดจากความอยากก็จะหยุดความอยากได้ แล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่อยากมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีก็เลยอยากไปก็ไม่อยากเหมือนอยากให้มันหายมันก็ไม่หายอยากให้มันไม่ตายมันก็จะตายอย่างนี้อยากไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆเห็นอย่างนี้แหละมันถึงจะหยุดความอยากได้คาถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ข้อแรกการนั่งภาวนาบางครั้งจิตก็นิ่งสงบตลอดหนึ่งชั่วโมงบางครั้งก็ไม่นิ่งตลอดครับ และผมอยากทราบว่าเมื่อออกจากสมาธิแล้วให้พิจารณาด้วยปัญญาทุกครั้งใหม่ครับเพราะสมาธิไม่นิ่งตลอดครับหรือพิจารณาเมื่อจิตนิ่งสงบตลอดเวลาถอนสมาธิออกมาค่อยพิจารณาครับก็มีสองทางเลือกไงเช่นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วเรายังพิจารณาทางปัญญาไม่เป็นเราก็ใช้การเจริญสติ รักษาความสงบไปก่อนก็ได้เหมือนกับตอนที่ก่อนเราจะมานั่งสมาธิเราก็จเจริญสติอยู่พอออกจากสมาธิมาเราก็จเจริญสติต่อไปก็จะรักษาความสงบได้แต่ถ้าเวลาใดที่สติเราเผลอปล่อยให้ใจไปคิดปรุงแต่งเวลานั้นความสงบ ก, ก็จะหายไปได้ต่างกับปัญญาถ้าเราคิดไปในทางปัญญาได้ แล้วเราเห็นใจลางแล้วเราลากความอยากได้ความสงบก็จะอยู่อย่างท้าวรนมันต่างกันตรงนั้นแต่บางคนยังไม่รู้จากวิธีพิจารณายังไม่รู้จกักดูว่าอันิจังนี้เป็นยังไงไม่เที่ยมนี้เป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างไรพิจารณาไม่เป็นก็ต้องหัดพิจารณาต้องถามครูบาอาจารย์ดูว่าพิจารณาอย่างไรเช่นพิจารณาร่างกายเมื่อกี้ถามว่าเห็น กระเพาะแล้วมันเป็นเนื้อแล้วเป็นหนังเนี่ยอันนี้ก็สแสดงว่าอย่างพิจารณาไม่เป็นการพิจารณาร่างกายก็เพื่อให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงให้เห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟให้เห็นแบบนี้เท่านั้นไม่ต้องไปเห็นว่ามันทำมาจากเซลล์ชนิดไหนสเตมเซลล์หรืออะไระมันไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนา เรวิปัสสนาต้องการให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรามันเป็นจะเป็นไปไม่ได้ให้เห็นการนี้เพื่อเราจะได้หยุดความอยากแล้วยอมรับความจริงของมันขอ้อที่2ผมนั่งภาวนาเมื่อจิตสงบ คำบริกรรมพุทโธหายจะมีเสียงลมเข้าออกที่ปลายจมูกมาแทนและเด่นชัดมากอยากทราบว่าควรที่จะจดจ่อลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกไหมครับหรือพยายามดึงคำบริกรรมพุทโธขึ้นมาใหม่เพราะขณะที่ลมกระทบปลายจมูกเข้าออกคำบริกรรมพุทโธไม่มีแล้วครับก็ถ้าเห็นนมดูลมได้ก็ใช้ลมแทนพุทโธก็ได้ครับ อันนี้แล้วแต่ความถนัดถ้าถนัดกับพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าพุโทโธหยุดหรืออาจจะเมื่อยไม่อยากจะพุโทโธต่อแล้วก็ดูลมแทนก็ได้อันนี้ข้อสำคัญขอให้ใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งแั่นั้นเองต้องคอยสังเกตดูว่าใจไปคิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าไปปรุงแต่งก็ต้องใช้พุโทโธหรือว่าใช้ลมหายใจคอยดึงไว้ เพื่อให้ใจให้รวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความปราศจากความคิดปรุงแต่งถึงจะหยุดภาวนาได้ข้อที่สามอ่านธรรมะพระอาจารย์ทุกเช้าพระอาจารย์ให้ละความอยากด้วยทานศีลภาวนาแล้วผมมารักษาศีลแปดแล้วเวลาทานข้าวพยายามจะกินเยอะ แต่ทานจริงๆทานไม่ได้ความต้องการอาหารก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเลยคิดว่าความอยากในการกินเริ่มลดลงผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะว่าความอยากนี่มันอยู่ที่ใจแต่ความต้องการของร่างกายนี้มันมีจํานวนของมันปริมาณของมันที่เรารับประทานมากามเกินความต้องการของร่างกายก็เพราะเราอยาก แต่พอเรามาภาวนาแล้วใจของเราจะสงบใจเราจะมีความอิ่มความอยากจะรับประทานมันก็เลยน้อยลงไปทําให้เรารับประทานตามความต้องการของร่างกายได้ไม่รับประทานมากไปกว่าความต้องการของร่างกายคาถามต่อไปจากคุณวรัตยาคําว่าธรรมหรือธรรมะมีความหมายว่าอย่างไรคะออไปเปิดพจนานุ ก, กรมดูเอาเขแล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณสมาธิผู้พ้นทุกข์จาเป็นจะต้องผ่านวิชาสามทุกข้อหรือไม่คะวิชาสามคืออะไรไม่ทราบอะคะ่ะทราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันผู้พ้นทุกข์ขอให้ให้ดับตัณหาสามให้ได้ก็จบถ้าไม่มีการมตัณหาภาวาตัณหาและวิพเทตัณห า, วว า, หาก็ถือว่าพ้นทุกข์ได้แล้ว คำถามต่อไปจากคุณรณชัยสนับสนุนเปิดบ่อนหรือสนับสนุนการเล่นการพ น, นันบาปหนักเท่ากับผู้ทำเองไหมครับคือการกระทำบาปนี่ก็ท่านก็พูดไปแล้วว่าสั่งให้เขาหนึ่งเขาทำก็ดีทำเองก็ดีก็โทษเท่ากันคำถามต่อไปจากคุณสมพิษ ขณะที่โยมรับประทานอาหารได้ยินคำบริกรรมชัดเจนใจก็นึกว่าแปลกจังไม่ได้ท่องแล้วแบบนี้เหมือนหรือต่างกันกับขณะนั่งหลับตาจนตกหลุมอากาศและได้ยินแต่คำบริกรรมไหมคะก็แล้วแต่เรื่องของคุณเราจะไปดูยังไงคุณปฏิบัติยังไงคุณก็ดูเอาไปก็แล้วกันข้อสำคัญขอให้มันสงบให้มันนิ่งก็ใช้ได้ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้เริ่มปฏิบัติธรรมมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ก็รู้ตัวว่ายังทำข้อสอบไม่ผ่านค่ะเวลาเจออะไรเล็กๆมากระทบก็พอสู้ไหวรู้สึกกิเลสบางตัวเราเบาบางลงไปมากแต่เวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่พอใจค่อนข้างมากในที่ทำงานทำให้เราหงุดหงิดเรารู้สึกเลยว่าจิตมันถูกกระเทือนมาก บริกรรมพุทโธก็เอาไม่อยู่เพราะต้องคิดเรื่องงานไปด้วยต้องช่วยโดยการเปิดซีดีทำมาฟังเวลากลับบ้านซึ่งช่วยได้มากมีความสงบเกิดขึ้นอารมณ์ไม่พอใจหายไปแต่หลังจากกลับไปที่ทำงานความสงบที่เคยมีก็หายไปอีกเลยอยากขอแนวทางค่ะว่าเวลาที่เรากลับไปที่ทำงานเราควรทำอย่างไรดีคะ ก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรับงานนี้มันก็เป็นงานชั่วคราวก็ทําไปตามหน้าที่ไม่ต้องไปกังวลว่าจะอยู่ไปนานหรือไม่นานถ้ามันจะถึงเวลาออกก็ให้มันออกไปที่เราไปเครียดกับการงานบางทีเพราะเราอยากจะอยู่กับทำงานไปนานๆกลัวจะตกงานกลัวจะถูกไล่ออกจากงานเราอย่าไปกังวลเราห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าถึงเวลามันจะต้องตกงานออกจากงาน เพราะบางทีบริษัทมันเจ๊งขึ้นมาก็ได้หรือบางทีเจ้านายไม่ชอบขีหนาเราก็ได้เพรฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วก็ผลมันจะออกมาไงก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วเราก็จะไม่เครียดกับการงานคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่ แต่ก็ยังคิดถึงเรื่องที่จะจ้างคนทำอาหารถวายพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนี้ถือว่าเป็นความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ใจไม่สงบใช่ไหมคะถ้าใช่ควรทำอย่างไรดีคะเพราะเราก็เคารพเทิดทูนท่านอยากถวายสิ่งดีๆให้ท่านคิดได้แต่ให้มันมีขอบมีเขตคิดแค่วินาทีหนึ่งมันก็เสร็จแล้ววันนี้จะถวายอะไรให้ท่านไม่ต้องมานั่งคิดมันทั้งวัน ถ้ามันคิดแบบทั้งวันมันก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าคิดว่าวันนี้จะถวายอะไรไก่ฟ้าโร่เห็ดอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็จบอย่างนี้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะยันแต่ทางที่ดีเวลาภาวนานี่จะพั ก, กวางเรื่องการทําทานไว้ชั่วคราวก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะทานนี้เป็นหน้าที่เป็นขั้นประ ด, ดส่งให้เรามาภาวนาเมื่อเรามาถึงขั้นภาวนาแล้วเรา ปล่อยวางพักเรื่องทานไว้ชั่วข่าวก่อนก็ได้ไว้เวลาเราออกจากการภาวนากลับไปทำภารกิจการงานหรือไปทำอะไรร้อยแปดปันประกาศแล้วค่อยมาทำเรื่องทานใหม่ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นนักบวชทำทานไปแล้วจบแล้วก็จบไปไม่ต้องไปกังวลกับครูบาอาจารย์ท่านท่านจะถานอะไรก็เป็นเรื่องของท่านท่าน บวชมาแล้วท่านบินฑบาทท่านอยู่ของท่านได้มาต้องกี่สิบปีแล้วท่านไม่มาเดือดร้อนกับการที่จะมาะเรื่องของการถวายอาหารให้กับท่านหรอกให้เรามากังวลกับเรื่องการภาวนาทําใจของเราให้สงบดีกว่าเพราะเรื่องฐานนี้เราหมดหน้าที่แล้วถ้าเราเข้าสู่ภาวนาแล้วหน้าที่หลักของเราคือการภาวนาคําถามต่อไปจากคุณอัมภัย ทุกวันนี้ผู้คนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันมากเราจะอยู่กับสังคมนี้อย่างไรดีคะก็สงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนถ้ามีส่วนต่างมองไม่เห็นส่วนต่างไม่เข้าใจกันก็เก็บเอาไว้อย่าไปพูดกันคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องให้คุยในส่วนที่คุยกันได้คําถามต่อไปจากคุณพรประวัติมีเพื่อนเขาชอบพูดว่า เขาไม่จาเป็นต้องเข้าวัดทำบุญเพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรไม่คิดร้ายต่อใครไม่ฆ่าสัตว์ขอเรียนถามว่าเมื่อเขาลกโลกไปแล้วเขาจะเป็นเช่นไรเจ้าคะถ้าเขารักษาศีลได้อย่างที่เขาพูดเขาก็ไม่ต้องไปเกิดในอภัยแต่มีใครบ้างรักษาได้มีแต่พูดได้เท่านั้นน่ะแต่เวลาทาแล้วมองไม่เห็นจาไม่ได้กัน แล้วเวลาเกิดผลขึ้นมาก็มาบ่นว่าไม่ได้ทำบาปเลยทาไมต้องมารับผลบาปคำถามต่อไปจากคุณวาสันต์ข้อแรกการนอนหลับเหมือนการเข้าอปนาสมาธิไหมครับไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่มีสติเวลานอนหลับนี่สติไม่มีแต่เวลาเข้าอปนาสมาธินี่มีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาข้อที่สอง การนอนหลับคือการพักกายหรือพักจิตครับเป็นการพักกายเพราะบางทีหลับแล้วใจก็ยังไม่หยุดใจยังฝันต่อความฝันนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งของใจนี่เองข้อที่สจิตมีเพศไหมครับจริงๆแล้วผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันตรงไหนนอกจากอวัยวะบางคนกายเป็นชายใจเป็นหญิงบางคนกายเป็นหญิงใจเป็นชายค่ะ จิตมันเป็นผู้รู้แต่มันมีความรักความชอบไม่เหมือนกันมันจึงทําให้เกิดเป็นเพศเป็นเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาถ้าจิตที่ชอบเพศหญิงก็มักจะได้ร่างกายของผู้ชายจิตที่ชอบเพศชายก็มักจะได้ร่างกายของผู้หญิงหรือว่าจิตที่เข้มแข็งกล้าหาญอดทนก็อาจจะเป็นจิตของเพศชาย จิตที่อ่อนแอชอบพึ่งพาอาศัยชอบรักความสวยความงามจิตประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตประเภทหญิงก็ได้แต่พวกนี้มันเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นเรื่องของนิสยัยใจคอที่มันถูกปลูกฝังมาจนเป็นสันดานก็ว่าได้แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ต้องฝืนเช่นถ้ า, าเป็นหญิงแล้วอยากจะเป็นชายก็ต้อง ฝึกทำตัวเองให้คิดเหมือนผู้ชายคิดทำอะไรต้องทำเหมือนผู้ชายทำซึ่งผู้หญิงบางคนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นผู้ชายกันผู้ชายบางคนก็เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงก็มีชอบอยู่แบบผู้หญิงชอบคิดแบบผู้หญิงก็มีแต่มันเรื่องของของจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรก ถ้าคนศีลไม่เสมอกันอย่างมากเช่นภูมิของเทวดาต้องอยู่กับคนที่มีภูมิสัตว์นรกจะทำอย่างไรจึงจะอยู่กันอย่างผาสุกก็ต้องมีความเมตตาแผ่เมตตาให้ต่อกันแล้วก็มีอุเบกขาให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ข้อที่สองการโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจผิดไหมคะเพราะว่ารู้สึกผิดผิดนะสิข้อที่สามจิตมาทางธรรมเกือบร้อยเปอร์เซนแต่สังเกตว่ายิ่งมาทางธรรมยิ่งเจอวิบากกรรมเกี่ยวกันไหมคะจะว่าเกี่ยวก็เกี่ยวจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยว เพราะบางทีวิบากมันก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าเราจะมาทางธรรมหรือไปทางกิเลสนะแต่ความรู้สึกมาจะรู้สึกว่ามันเป็นวิบากความจริงมันไม่ใช่เป็นวิบากเพราะว่าเวลาเราจะมาทางธรรมนี้มันจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคมากเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่ถนัดเราเคยชอบไปในทางโลกพอเรามาทางธรรมเราก็รู้สึกว่าทำอะไรมันยากไปหมดเราก็เลยไปโทษว่าเป็นวิบากก็ได้ แต่ความจริงมันเป็นเรื่องของความไม่ถนัดของเราเองแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะถนัดแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคไดอย่างใดข้อที่สี่พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปีชงคะไม่เข้าใจไม่รู้จักม ห, ห, มหมดแล้วที่นี้มีใครอยากจะถามยังไง เชิถามได้เนื้อกลับเป็นพระอาจารย์ครับเออคือแต่ก่อนหน้านี้เคยเข้าใจว่าการภาวนาครับผมก็คือภาวนาพุโทโธแล้วก็เอาคำว่าพุโทโธเนี่ยจับที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่แล้วเคยได้สนทนากับกับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเลย อ, อย่างเดียวถ้าจะภาวนาพุโทโธก็ภาวนาพุโทโธอย่างเดียว ไม่ควรจะจ ะ, จะดูลมหายใจพร้อมกับภาวนาพุโทโธไปด้วยครับอันนี้มันเป็นเรื่องเจริญของแต่ละบุคคลถ้าอยากจะผสมก็ได้ถ้าทําแล้วได้ผลก็ใช้แบบนั้นก็ได้บางคนเขาใช้ได้ผลเขาก็เลยใช้พุทเข้าโท่ออกไปแต่บางคนใช้แล้วไม่ได้ผลก็ไม่ควรใช้งั้นเราเลือกได้จะใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้จะผสมกันก็ได้ ขอให้ดูที่ผลก็แล้วกันว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลครับแต่พอผมลองลองบริกรรมพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ผูกกระลมหายใจครับมันรู้สึกว่าบริกรรมมันพุทโธมันเร็วมันเร็วจนไม่มันเร็วเร็วมากจนมันไม่มีตัวคุมจังหวะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีหลักอะไรในการที่จะบริกรรพุทโธโดยโดยแบบเป็นเป็นหลักยึดตัวคําบริกรรมไหมครับอ๋อคือเร็วช้าไม่เป็นประเด็นสําคัญ การบริการนี้เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งเท่านั้นถ้าเราจดีิเราเราชอบบริการเร็วเราก็ให้มันเร็วต่อไปได้ <ขอ S 2> ครับผมไม่มีปัญหาข อ, ขอบคุณครับอไม่มีใครอยากจะถามอีกแล้วเดี๋ยวปิดไปแล้วก็จะไม่ตอบนะเพอา ะ, อ ะ, อะถามตอนนี้ทุกคนก็จะได้ฟังจะได้รับประโยชน์ไม่ต้องอายหรอกเพราะพวกเราก็อยู่ใน มอเดียวกันมีปัญหาแบบเดียวกันมีความอยากความโลภความโกรธความหลงแบบเดียวกันเขาอ่าอกาสเจ้าค่ะคือถ้าเกิดเวลาที่หลวงพ่อบอกว่าการหลับคือการพักกายแต่ไม่ได้พักจิตในกรณีที่ลูกนอนหลับแล้วก็ก่อนหลับก็จะฟังธรรมะขององค์หลวงตา แล้วก็หลับไปก็ฝันในขณะที่ฝันจิตในฝันก็บอกว่านี่คือพบอปติกะแล้วก็พยายามจะดึงจิตขึ้นมาในขณะที่ดึงจิตขึ้นมาก็ยังได้ยินการแสดงธรรมขององค์หลวงตาอยู่เจ้าค่ะแต่พอแต่ยังพอจับใจความไม่ได้ก็จิตก็ตกลงไปอยู่ในในจุดเดิมคือในความฝันเดิม ก็ดึงขึ้น ด, ดึงดึงลงอยู่ในขณะนั้นเน่เจ้าค่ะอันนี้จิตอันนี้นี่เป็นจิตที่เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นจริงๆหรือว่าเป็นเป็นการฝันเอ่อแล้วจะต้องควบคุมยังไงเจ้าคะเพราะว่าในขณะที่วันไหนถ้าภาวนาดีก็จะรู้สึกว่าจ ะ, จะจะเหมือนเวลาหลับเนี่ยจะจะชอบฝันอะไรที่ที่ไม่ไม่ไม่ ไ, มได้ ไม่เคยพบมาก่อนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเวลาหลับแล้วเราไปควบคุมมันไม่ได้นะความฝันมันก็ไปว่าไปตามบุญตามกรรมของมันไม่มีปัญหาอะไรมันจะเป็นยังไงพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปเจ้าค่ะนรัตการครับพอดออีตั้งใจว่าจะตัดสินใจไปบวชนะครับผม ทีนี้มันจะมีจุดไหนที่เราเออมืนก็ว่าเออมืนควรสมควรที่จะได้ไปบวชอะไรอเงี้ยครับว่ามันมันจะต้องเกี่ยวกับตัดทางโลกก่อนไหมหรือว่าเออเราคิดว่าเราแน่วแ น, วแนว่ทางนี้แล้วก็ก็มุ่งไปเลยนะครับก็มันอยู่ที่ความพร้อมของเราเหมือนเราที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็ต้องพร้อมเราก็ต้องไปสอบ entrance ดูสอบเข้าถ้าเขารับเราก็เข้าไปได้ ถ้าเราคว่าเราพร้อมจะไปบวชเราก็ลองไปอยู่วัดปฏิบัติดูแล้วไปอยู่ครับจนกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบวชได้ก็บวช ค, คือความจริงถ้าบวชแบบสมัยก่อนหรือ บ, บวชบวชแบบเพื่อปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่บวชทันทีทันใดก็มักจะไปขออยู่กับวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ไปอยู่เป็นผ้าขาวสักพักหนึ่งเช่นสายหลวงปู่ชานี้ท่านมีกฎ ชาวต่างประเทศที่จะมาบวชเป็นพระนี้ต้องเป็นรู้สึกจะเป็นพระขาวหกเดือนก่อนเมื่อเป็นพระขาวหกเดือนแล้วท่านเห็นว่าพร้อมที่จะบวชท่านก็ย้ายบวชเป็นสา ม, มนเณรอีกปีหนึ่งก่อนถึงจะบวชเป็นพระได้ครับแล้วก็ในกรณีที่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับจะมี <c oughs> แบบก็บอกไปเลยเหมือนเป็นอะไรพอ <c oughs> <c oughs> ดีคุณแม่เป็นคนแบบ ค่อน ข, ข้างจะขี้กังวลแล้วก็แบบจะติดอธิบา ย, ายมากอ ธ, าอธิบายว่าการบรวดนี้เป็นการไปเรียนหนังสือต่อไปทำปริญญาเอกทางพระพุทธศาสนากา <c oughs> รเรียนจบแล้วก็จะได้มาช่วยพ่อช่วยแม่ให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปขั <c oughs> บรถกับพระพุทธเจ้าครับอธิบายก็เข้าใจแล้วก็จะดีใจเขาจะอนุโมทนาที่เขาไม่อยากให้บวดเพราะเขาเขาไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เขาคิดว่าเราไปเป็นขอทาน คิดว่าเรามเป็นคนสิ้นท่าทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองไม่ได้ต้องไปอาศัยพระเลี้ยงอยู่ <Okay. S 1> อธิบายก็ฟังว่าเป็นการศึกษาปริญญาชั้นสูงเป็นเป็นญาณที่สูงกว่าเป็นญาณทั้งหมดในโลกนี้ใครได้จบเรียนทางพระพุทธศาสนาแล้วนี้จะได้ปริญญาคือพระนิพพานครับเีมาตรการด้วยค่ะเ อ, อ่อ อยากจะถามท่านอาจารย์ว่าออการที่จะเดินจงกรมและนั่งสมาธินี่อย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงถึงจะพอเห็นผลนะคะ อ, อ๋อต้องเดินมากๆเดินทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ให้ไปทำอย่างอื่นถ้ออาปฏิบัตินี่ท่านเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ท่านต้องไปทำภารกิจหรือพักผ่อนนั้นท่านก็จะไม่ได้ทา ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อย อ, อยู่ต่อแล้วนะครับขอบคอาจารย์เจ้าค่ะาอาจารย์เจ้าค่ะคือทำคิดว่าทำสมถ ะ, ะสมาธิได้แต่ว่าจะมีปัญหาที่ทำวิปัสนาไม่ค่อยได้เจ้าค่ะก็เลยอยากทราบว่าอาวิชชาปัจจญาสังขาราอาวิชชานี่ <c oughs> คือตัวที่เราไม่รู้อะไรไม่รู้ในความจริงอะไรเจ้าค่ะ ก็เนี่ยไม่รู้ธรรมก็เรียกว่าวิชาไม่รู้เหตุรู้ผลในธรรมใช่ไหมจ๊ะค่ะไม่รู้ว่าทุกเกิดจากความอยากของเรา <c oughs> ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเรา <c oughs> ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ลาบยศรรสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ <c oughs> เราก็ต้องมาสอนใจให้รู้ความจริงโดยเอาคําสอนพพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้าได้พบความจริงแล้วว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบเมื่อได้ความสงบแล้วก็ต้องรักษามันด้วยการทำลายความอยากต่างๆนี่ก็คือเรื่องของวิปัสสนาเวลาใจสงบแล้วมีความสุขแต่พอออกจากความสงบมาเดี๋ยวไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดความอยากไปห่วงเขาไปกังวลกับเขาก็ต้องพิจารณาตัวเขานั้นว่าเขาไม่เที่ยง หวงยังไงเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีอย่าไปห่วงดูแลกันได้ช่วยเหลือกันได้แต่รเรื่องที่อยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นอย่าไปคิดอย่าไปอยากเพราะมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุนี่คือปัญญาให้คิดแบบนี้เช่นพิจารณาไตรลักษณ์ใช่ไหมคะใช่ความไม่เที่ยงงทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับมีอะไรก็ต้องจากกันสักวันหนึ่ง ราบยศสรรเสริญที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปเวลาตายไปเขาไม่ให้ใส่ลงไปด้วยก็ไม่เอาหุ้นใส่เข้าไปในใส่ไปในโลงเก็ไม่เอาทองเอาเพชรใสไปในลง <S <S 1> <S 1> เอาอะไรไปไม่ได้เนี่คือความ <S <S ไม่เที่ยงเป็นสมบัติชั่วคราวสมบัติผัดกระชมเอย่าไปเสียดายถึงเวลามันต้องไป ถ้าอยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับเราก็เอาไปทำบุญให้หมดแล้วมันจะเป็นบุญวพาเราจะไม่หวงไม่หวงมันแล้วเราจะไม่ทุกข์เข้าใจไหมถ้ากันเป็นแทาเป็นแทบตายไม่ได้ใช้คนอื่นเอาไปใช้หมดตัวเสียดายไม่กลัวจะหมด นี่คืออาวิชาใช่ไม่มีใครถามงัหรอใช่ั้ยจะได้ปิดประชุมขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านนี้ได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ